Ram Saran Garicha. เดิมตอนที่แล้วเมื่อเจ้าชายสิทธัตเสด็จมาเห็นชาตมือที่ล่าเริงสนุกสนาก็สงสัยว่าจะมีการจับเตรียมไวจึงตัดสิทธัไทยกลับเข้วังการุธา ย, ยินสั่งให้สาวงามมายั่วยวนอย่างไรก็ไม่สนใจและเจ้าชายยังชวนฉันหน้าปลอมตัวแอบมอจับไปจนได้พเพื่อเป็นหญิงชามื อ, มอมจกจลทงจะคลอดอันเป็นการเกิดและหญิงชราหมอตำแดที่เป็นคนแก่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังละครปฏิยุทเรือ่องพระพุทธเจ้ามหาบรุษแห่งชมพูทวีตอนที่สิบเว็ดนาหน้นาปัจจพระสวามีสิทธะเสด็จมาเพคะ ถวายบังคมเพคะเสด็จพี่น้องหญิงกำลังมีครันแก่อุยอ้ายลูกทลาออกมารับพี่ทำไมหม่อมฉันดีใจที่เสด็จพี่ทรงมาเยี่ยมหม่อมฉันนี่เพคะเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วนี่นาะเกษณีเพคะช่วยกันประคองพระชายาของเราเข้าไปนั่งก่อนเพคะออค่อยๆเสด็จนะเพคะพระชายาไม่ต้องประคองซ้ายขวากันถึงขนาดนี้ก็ได้ ว่าแต่เสด็จออกไปในเมืองวันนี้เป็นยังไงบ้างพ่คะเสด็จพี่มันมีเรื่องที่ทำให้พี่ทั้งไม่สบายใจและเกิดความสงสัยนพิมพาพี่เพิ่งเคยได้ยินเสียงร้องคร่ำควรวญของมารดาที่กำลังจะให้เด็กเกิดมาว่าเจ็บปวดแค่ไหนทำให้รู้สึกอดเป็นห่วงน้องหญิงไม่ได้หม่อมฉันดีใจที่ได้ยินอย่างนี้และพี่ก็ยังได้เห็นคนแก่ชราผมหงอกขาวเดินหลังงอ ง, งุม เรากับจะล้มลงไปข้างหน้าหน้าตาผิวหนังเหี่ยวย่นเพรคะไม่เคยทอดพระเนตรเห็นคนแก่เลยเหรือเพคะอาจเป็นเพราะบ้านเมืองของเราไม่มีนักเกตสนีไม่ว่าบ้านเมืองใดในโลกนี้ล้วนแต่ต้องมีผู้สูงวัยหรือคนแก่ทั้งนั้นเพคะเสด็จพี่เพราะพวกเรานี้อีกไม่กี่สิบปีก็ย่อมจะเป็นคนแก่และในที่สุดก็ต้องตายตายหมายถึงอะไร ทรงไม่รู้ความหมายของความตายหรือเพคะมิดาจะเป็นไปได้หม่อมฉันรู้มาว่าพระเทวีสิฎิมหามายาพระราชมารดาของพระองค์ก็สิ้นพระชนหลังจากมีพระสุติกานพระองค์ได้เจวันแล้วเสด็จแม่ประชาบดีล่ะไม่ใช่เสด็จแม่ของเราหรือไงเกสินีทรงเป็นพระคณิฐาของพระเทวีสิฎิมหามายาทั้งหากลเพคะ ไปคะเสด็จพี่สิทธัตถะมาซักถามหม่อมฉันเรื่องนี้ทำให้หม่อมฉันปฏิเสธไม่ได้ต้องเล่าความจริงให้ลูกรู้และยอมบอกว่าความตายคืออะไรมันน่ า, จ, าจะตัดข้อยก้คนแรกที่ปาสว่างนักเล่าอุษปิดบังมาเดือตถึงหลายปีแล้วใครกันเนี่ยที่บอกเล่าอ่ะอาจจะเป็นพระสุนิสาคือยะโสธาราพิมพา ลูกสไปยของเราเองเพคะจะถือว่าเป็นความผิดของนางก็ไม่ได้แล้วเราจะทํายังไงกันเนี่ยประชามณีเรื่องคนเกิดคนตายแค่นี้อาจไม่มีผลอะไรกับสิท ธ, ธัตถะอย่าเพิ่งทรงตีตนไปก่อนใครเลยเพคะเสเตตี้นั่นสินะก็แค่คนเกิดคนตายพี่ก็รู้เรื่องนี้มาหลายปีแล้วยังไม่เคยสนใจอะไรกับมันเลยนี่ บางทีอาจจะไม่มีอะไรจริงๆอย่างที่หวั่นใจก็เป็นได้เรื่องที่เสด็จแม่ประชาบดีไม่ใช่เสด็จแม่ที่แท้จริง เราไม่สนใจเพราะเสด็จแม่ประชาบดีทรงมีความรักและห่วงใยเราไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านันทะด้วยซ้ำไปแล้วมีสิ่งใดที่ทรงเป็นกังวลจนต้องนำมาทรงคิดหรือพระเจ้าค่ะมีสิกษิชนะเราเกิดความสงสัยว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ชราแล้วก็ตายทุกคนหรือไงไม่แก่ไม่ตายได้ไหมคงไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะเพราะเป็นธรรมดาของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เราอยากจะเห็นความตายสักที ความตายไม่มีอะไรน่าดูเลยพระเจ้าค่ะวิญญาณจะออกจากร่างที่เสื่อมสลายเพื่อไปเกิดใหม่ทิ้งให้ร่างกายขึ้นอืดเน่าเหม็นเป็นซ า, ากศพจัตตาพอเกิดมาไม่นานก็แก่ชราแล้วก็ตายต้องเวียนไหวาตายเกิดอย่างนี้ตลอดไปหรือไงน่าจะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะหมมฉันไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้นะจะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราออกไปดูในเมืองกันอีกก็ได้ยิ่งได้เห็นมากเท่าไหร่ก็อาจจะมีคําตอบให้เราหายสงสัยมากเท่านั้น จะเสด็จออกนอกวังอีกหรือพระเจ้าค่ะเจ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปนะช น, นะหม่อมฉันต้องโดยเสด็จสิพระเจ้าค่ะเป็นหน้าที่ที่หม่อมฉันต้องตามถวายอาราขาด้วยความเต็มใจ ย, ยิ่งพระเจ้าค่ะว่าแต่จะเสด็จเมื่อไหร่พระเจ้าค่ะเราจะออกไปในวันรุ่งพรุ่งนี้แต่นี่เป็นความลับจะบอกใครไม่ได้โดยเฉพาะการุทายีเข้าใจไหมพระเจ้าค่ะ เอาไว้างครังพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเจ้ามาก็ดีแล้วเทวทัตพ่อกําลังคิดถึงอยู่พอดีเรื่องที่พ่อให้เจ้าไปดูแลการสร้างเขื่อนกั้นน้ําที่แม่น้ำโรหินีได้จัดการไปถึงไหนล่ะต่อเด็ดชะมผมกําลังาหาทางปริกระแสน้ําให้ไหลามาทางังกรเทวทหะ ข, ของเราเพียงด้านเดียวหรือมากกว่าพระเจ้าค่ะแล้วพวกกรุงกบินลพัดเขาจะยอมหรืออย่างไรในเมื่อเรามีสัญญาปันน้ากันใช้ ให้น้ำจากแม่น้ำโรฮินีมีประโยชน์แก่ทั้งสองเมืองพ่อเกรงว่าเราจะถูกตำหนิว่าเป็นฝ่ายหาเรื่องก่อนนะแค่ต้นน้ำให้แม่ น, น้ำโรฮินียเบี่ยงมาที่กรุงเทวทัศาามากกว่าถ้ากรุงก บ, บิลพัทมาขอปั่นน้ำชัยนะเหมือนใจผลประโยชน์ต่อแผนเราให้มากกว่านิ้นัะเจ้าค่ะเจ้าดูแลให้ดีก็แล้วกันเทวทัศน์เพราะถ้าจัดการผิดพลาด อ, อาจเป็นชนวนให้เกิดสงครามขึ้นมาได้เสดงลุงสุดทธนาคิดว่าตัวนี้เป็นใหญ่ไม่เคยให็นกายอยู่ในสายพระเนตแม้แต่เสด็จพอส่วนสิทธธรรมก็ถือได้คิดว่าตัวเองมีบุญญาแนนด้วยพิมพาน้องสาวข้ามอำฉั้นไปครอบครองดุดเป็นตัวประกันก็เลยเป็นสนใจพวกเราสักเท่าไหร่เพร่อจบเขเจ้าจะทาอะไร ก็คิดถึงน้องพิมพาของเจ้าให้ดีก็แล้วกันเสด็จพ่อวาพระทยัยหมอ่อมฉันทำอะไรคิดถึงผลประโยชน์ของกรุ่มเทวธาตุของเราเป็นใหญ่มากที่สุดประจบ เจ้าเรียมตัวขึ้นเหนือกับข้าเดี๋ยวนี้แต่พวกเราเพิ่งลงมาไม่ทันข้ามราตีนะพระเจ้าค่าข้าไปข่าพ่อสนิพ่อสุปป พ, พมท่ามาเลยทำให้คิดได้ถ้าจะหาเรื่องกับเจ้าสิทธัตถะไม่เห็นจะยากตรงไหนแค่ทำให้ชอวเมืองกับมรพัดไม่มีน้ำกินน้ำชามันก็จะวุ่นวายเดือดร้อนทุกหย่อมยา แ้าจะดูน้ำหน้าเจ้สิทธัตถะสุทมันจะมีบรรยาทาอะไรแต่ถ้าเกิดสงครามใหญ่ทั้งสองเมืองต่างจะต้องบาดเจ็บล้มตายนะพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าจะถอดใจหันไปจับจอบเสียงทําไร้ไถนาซะจะไปหาต่อมันทาไมแต่ขาเทวะัเกิดมาเพื่อความริ่งใหญ่ และการที่จะได้ชื่อว่าเป็นจอมทัพผู้เกลียงไกลจะมีอะไรดีไปกว่าการรบท่านั้นใครที่หวานหว่านขใจก็ถอดเพื่อแบบทหารแล้วต้องไปสวมสารีพัวข้าพระเจ้าวิ น, นีทำศึกมากกว่าพระเจ้าค่ะนั่นทำเรามว็นกรสับก์ไเรียมตัวเดินทางขึ้นเถอ ไปยังต้นนางโรฮินีเดี๋ยวนี้รับโดยกาะเจ้าค่ะสิทธะสิทธะใคาอ ย, ยากจะรู้นะว่าเจ้าจะทำยางไร ดูนั่นที่ช น, นะชาวเมืองมากมายทํางานกันอย่างเหนื่อยอ่อนท่ามกลางแดดที่กําลังร้อนจัดทําไมเขาถึงไม่หยุดพักกันนะเขาหยุดพักไม่ได้เพราะต้องรีดทํางานแข่งกับเวลาเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพนะพี่ชายแล้วทําไมคนนั้นนั่งในร่มเงาอย่างสบายเพราะเขาอยู่ในวันะแพทย์ยะที่ก่อค้าแล้วก็เป็นนายจ้างที่มีฐานะในขั้นห้าบอดีส่วนกรรมกรที่ทํางานเหล่านี้อยู่ในวันะสูตรที่ต่ํากว่า ข้านึกว่าคนเรามีฐานะเท่าเทียมหรือเสมอภาคกันซะอีกนะจะเท่าเทียมได้อย่างไรเจ้าชายเอ้ยพี่ชายยังอยู่ในวันนะกริย์หรือนักลบและมีวันนะพราหมหรือผู้เป็นนักบวชซึ่งทำพิธีแล้วก็มีวันนะแพทย์ยะที่เป็นพ่อค้ากับวันนะสูตรคือกรรมกรที่ต่ำสุดใช่ไหมยังมีต่ำกว่านั้นคือจันทานคือบตรของคนที่แต่งงานข้ามวรนน และไม่มีใครครบค้าด้วยถือว่าเป็นเสนียจันไรส่วนใหญ่จึงเป็นแค่วันที่พกอย่าจบเข็นใจเท่านั้นเราไม่เคยรู้เลยนะช น, นะ<ม>เอ๊ะดูสิมีหญิงแก่ชราท่าทางงกๆกเงิ้อเงจะเดินมุ่งหน้าไปไหนพวกขันมาขวางทางข้าทำไมข้ากำลังรีไปเยี่ยมหลาน จึงทรมานด้วยการป่วยไข้นะร้านค้าเคยเป็นถึงนางรำของเจ้าชายสิทธัตถะเชียวนาะคุยโมโออวดหรือเปล่ายายนางรำของเจ้าชายจะมาป่วยไข่อยู่นอกวังได้อย่างไรว่าเพรานะไหนวังดะมีิกดบังคับเอาไว้ว่าหาบเจ็บไข้ให้เจ้าชายได้ทอดพระเนตรเห็นนะสิ แม่แต่ข้านี่ก็ยังเคยเป็นนางข้าหลวงชื่อคุณเท้าโสภาพอชราก็าถูกขับออกมาเหมือนกันแหละรู้ไหมแล้วนางรำคนนั้นมีชื่อว่าอะไรละ่ะนางชื่อว่าอมาราดรหลานชายอมาราข้าจำได้ข้าขอไปเยี่ยมนางบ้างได้ไหมแต่ว่าข้าจะไปช น, นะ ถ้าอยากจะเห็นคนเจ็บไข้มีอาการเป็นอย่างไร คนมาเยี่ยมเจ้าน่ะอมาราใครถ้าถ ว, วายไม่ต้องลุกขึ้นไม่ต้องกราบไหว้ทำไมเจ้าถึงได้ผายผอมซี่เตียวอย่างนี้นางปวยนะัใกล้จะตายแล้วพัะเจ้าค่ะาจาว่าอะไรนะท่านผู้นี้เป็นใครกันนะนเราเป็นใครไม่สำคัญแต่กลับไปวันนี้ เราจะส่งหมอหลวงและเงินทองมาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าให้มีความสุขสบายก่อนถึงวาระสุดท้ายรวมทั้งให้แก่ท่านยายโสภาที่เคยอยู่กับเสด็จแม่จนถึงวัยชราเป็นพระกรุณาเพคะถึงหม่อมฉันจะตายแต่ก็ยังมีความสุขเพราะในยามที่มีความทุกข์ ก็ยังมีเจ้าชายเป็นที่พึ่งได้ <c oughs> เสด็จออกไปจากบ้านของหม่อมฉันไม่งั้นพระองค์อาจจะทรงติดโลกลาย <c oughs> เราไม่อาจไวพอให้เจ้าหายไวๆเพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ <c oughs> แต่ขอให้วางใจเราจะดูแลครอบครัวของเจ้าให้มีความสุขตลอดไป <c oughs> เราไปละอำมาาหม่อมฉันทุลา ข้าเจริญลค่ะสองคนนั้นไปกันแล้วบอกข้าได้ไหมว่าบุรุษหนุ่มที่ผู้ฐานดูดีมีจังหคนนั้นจะเป็นใครเ<า>จ้ช า, ถถ า, า, า, จาชายสิทธัตถานาสิยายเออเจ้าชายสิทธัตถะโอ้จริงๆหรอเนี่ย ทำไมน้าประไทยดึงไดกเปียมไปด้วยประเมตตาอย่างนี้ข้ามเลี้ยปอยได้มีวาสดาขอทรงพระเจลิญยู่ยืนานเพคะขอให้เจ้าชายทรงพระเจลิญ น า, นาอนาตใจจริงๆช น, นะเราได้เห็นคนเจ็บอย่างอมราต้องทุกขเวทนาแสนสาหัสอย่างนี้เอ๊นั่นเขากำลังจะเผาอะไรกันเนี่ยตรงนั้นกำลังมีการเผาศพคนที่ตายเขาก่อกองไม้ขึ้นเป็นเชิงตะกรแล้วจุดไฟเผาพระเจ้าค่ะคนตายคงจะเป็นลูกหลานหรือญาติพี่น้องถึงได้มีคนมาร้องไห้คร่ำครวญอะไร พ่อไม่น่าจะทาไปอย่างนี้ท่านเป็นที่ร่งของพวกเราและพวกเราจะทำอย่างไงท่านพี่ข้าขอถามท่านพี่ให้พบ ก, กันในชาติหน้ามำไมหญิงคนนั้นฝากเข้าไปในกองไฟชันนะ ทำไมไม่มีใครห้ามเอาไว้ช่วยน้กันหน่อยสินั่นเป็นพวกถือดัชสตรีเมื่อสามีตายภรรยาต้องโดดเข้ากองไฟให้ตัวตายตามไปพระเจ้าค่ะทำไมชีวิตถึงได้เป็นทุกข์เช่นนี้นะหรือการเผาตัวให้ตายตามไปจะเป็นทางที่ทำให้สิน้นทุกข์ได้ ไวบังคมพระเจ้าค่ะการุธายีเวลานี้ลูกข้าอยู่ที่ไหนข้าพระพุทธเจ้าสอบถามได้ความว่าเจ้าชายทรงปลอมองค์ออกไปในเมืองพระเจ้าค่ะในมือมีอะไรที่น่าติดใจนักหนาเมื่อวัน ก, อนก่อนก็เห็นคนเกิดและคนแก่ชะาไม่รู้ว่าวันนี้จะเห็นอะไรเนี่ยเรานางรางของเจ้าคงจะไม่เอาไหนถึงไม่มีปัญญาผูกใจลุชายของข้าอย่างนี้พระยาไม่พ้นก้าว เราไม่อยากโทษว่าเป็นความผิดของเจ้าหรอกกาลุทายีเพราะแม้แต่ยะโสธราพิมพาที่สิริโฉมโสภาวกว่านางใดยังเหนี่ยวรั้งเจ้าชายเอาไว้ไม่ได้นับปรษสาอะไรกับดารุณีที่เป็นไพร่าสามันพวกนี้แต่นี่ก็เป็นยามสนธยาทำไมสิทธัตถะจึงไม่กลับมาสักทีหรือว่าจะมีอะไรติดใจที่นหนเมือถ้ามีจริง น้องคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีนะเพค ะ, สะเสด็จพี่พี่ก็อยากให้มีใครหรือเหตุการณ์อะไรทําให้ทูกติดใจหรือยึดเหนี่ยวเอาไว้สักยอย่างในขับประชามติแต่จะมีใครหรือสิ่งนี้ไหยังไม่เสด็จกลับเข้าพระราชวังอีกหรือพระเจ้าค่ะ เรากำลังจะกลับอยู่เดี๋ยวนี้ช น, นะเดี๋ยวก่อนเจ้าเห็นไหมนั่นใครกำลังผ่านมาทางนี้อ๋อคงเป็นนักบวชในลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งพระเจ้าค่ะไม่มีอะไรน่าสนใจเราเคยเห็นนักบวชมากมายไม่ว่าจะเป็นโยคีหรือีดาบทนักพรตหรือว่าพราหมณ์แต่ไม่เคยเห็นใครดูงดงามสงบสง่าราวกับเทวจาแรงมาเช่นนักบวชผู้นี้ ดูก่อนท่านนักบวชข้าพเจ้ามีความสงสัยท่านมาจากสำนักใดและออกบวชเพื่อจุดประสงค์อย่างไรอาตมาไม่มีสำนักที่อาตมาออกบวชก็เพื่อสแสวงหาคําตอบในใจคําตอบอันใดหรือท่านคําตอบที่ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรและความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อาตามาเจอลาจากเพศครวาสมาเป็นสมนาออกมาอยู่ยังโดดเดี่ยวเพื่อให้มีควาสมสงบและคิดว่าควาสมสงบจะทำให้อาตามาพบคำตอบพิสแสวงหาได้ความสงบจะทำให้พบคำตอบที่สแสวงหาเราคิดว่าพบทางแล้วช น, นะเรามองเห็นทางอันสว่างแล้ว สัจพจนศรีหมเมธีปัญทรัตน์พลเกียรติบุรุษศันสีศรียาพรวรการเจริญดีเปรมกมลโชติกาสถียนธานิดศรีสินรัตน์เกณฑ น, นิดเรืองศรีสุพิศราพัฒน์เจริญพิทยารัก์สุทธิพัฒน์อ่อนพรางจรุพัฒน์เสวตระศ์โชติกาเสเวตระศ์อ่อนวีนาเจริญพิทยารักนัทพงศ์มัฒ น, นบุญญาบันทึกเสียงวรการเจริญดีกำกับการแสดงสัจพจนศรีหเมธี อำนวยการสะิ